บทที่ยี่สิบเจ็ดดนตรีทิพย์เสียงนดนตรีเลือนหายไปเมื่อเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบเก้านาทีนารีผลสองตนรู้ว่าหากจะบะเลงต่อไปจนค่ำคนฟังก็จะไม่รู้สึกว่าเบื่อนายเพราะความไพเราะ ทำให้พวกเขาดูดดื่มลงหลายราวกับถูกสะกดด้วยมนขลังแต่เพราะไม่ต้องการให้พระสงฆ์ทั้งเก้ารูปต้องอดฉันพัดจึงต้องยุติการบรรเลงลงหยุดแล้วหรือขอบคุณมากนะไพเราะเพราะพลิ้งราวกับเสียงดนตรีทิพย์ท่านพระครูผู้ซึ่งเป็นผู้เดียวที่ฟังอย่างมีสติเอ่ยชม ขณะที่บรรพชิตแปดรูปกับครือข่ัยอีกประมาณร้อยคนยังเคลิบเคลิม้มหลงไหลแยกไม่ออกว่าเป็นความจริงหรือความฝันกันแน่ครั้นได้ยินเสียงท่านพระครูจึงรู้ว่ามิได้ฝันคนเป็นเจ้าภาพมองดูนาฬิกาแล้วพูดอย่างตกใจว่าเกือบเที่ยงแล้วตกลงเลยไม่ได้เจริญพระพุทธมนต์ แต่คงฉันทันใช่ไหมครับเขาถามท่านจะคุณถ้าไม่เจริญพระพุทธมนต์กอนฉันทันเพราะยังไม่เที่ยงท่านจาคุณตอบท่านพระครูจึงพูดขึ้นว่าผมทราบตั้งแต่ออกจากวัดมาแล้วครับว่าวันนี้จะไม่มีการเจริญพระพุทธมนต์ท่านทราบได้อย่างไรมีใครบอกหรือ เจ้าคุณวัยห0สิบรู้สึกประหลาดใจในคำบอกเล่าของเพื่อนบันพชิตนารีผลบอกครับเขาบอกตอนมาผมตั้งใจจะออกจากวัดตั้งแต่ตีห้าก่อพอดีมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องเตื่นซ้ายก็เลยออกจากวัดเจ็ดโมงครึ่งคิดจะไม่มาเพราะกลัวจะไม่ทันแต่นารีผลเขาบอกว่าให้มาเถอะ เราะจะช่วยย่นระยะทางชั่วโมงเดียวก็ถึงผมมาถึงแปดโมงครึง่งใช้เวลาเดินทางชั่วโมงเดียวจริงๆเลยบอกให้คนขับรถพาไปซื้อทุเรียนเพื่อไปเลี้ยงผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดมีทหารมาเข้ากรรมฐานสามร้อยคนอยู่ที่วัดผมท่านสาธยายค่อนข้างยาวอ๋ออย่างนั้นเองนี่ แล้วท่านพระครูคิดว่าผมละลาบละล้วงหรือเปล่าถ้าผมจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นจึงทำให้ท่านตื่นสายผมไม่กล้าคิดอย่างนั้นหรอกครับแต่ว่าเรื่องมันยาวถ้าผมเล่าเกรงว่าท่านเจ้าคุณจะไม่ได้ชั้นเพงเอาไวช้ชันเพงเสีก่อนแล้วค่อยเล่าดีไหมครับสมพานวัดป่ามะม่วงถ้อยทีถ้อยอาศัยเออก็อดีเหมือนกัน ว่าแต่ว่าพวกเราจะไม่ได้เจริญพระพุทธมนต์ไม่รู้ว่าเจ้าภาพก็จะถวายพัตนาฐารให้ฉันหรือเปล่าท่านสัพพยอกในอำเภอผู้เป็นเจ้าภาพถวายสิครับการได้ฟังดนตรีที่ไพเราะราวกับเสียงทิพย์จากสวงสวรรค์ผมว่าเกินคุ้มแล้วครับในอำเภอตอบแอบคิดในใจว่าดีกว่าฟังพระสวดเป็นไหนๆเพราะนอกจากจะไม่รู้แล้ว ยังใหม่ไพเราะสนอโสดอีกด้วยเขาสั่งให้ยกอาหารหวานข่าวมาตั้งและนำกล่าวคำถวายด้วยตนเองจากนั้นจึงช่วยกันประเคนท่านพระครูฉันไปนิดเดียวก็รวบช้อนเพราะเป็นปกติของท่านที่ไม่ได้ติดใจในรถส่วนพระสงฆ์อีกแปดรูปก็มีอันฉันไม่ได้มากเพราะยังติดใจลหลงไหลกับเสียงไพเราะดุดเสียงทิพที่ได้ฟังไปหยกยก พรันจะไม่ฉันเสียเลยก็เกรงใจเจ้าภาพอีกอย่างก็กลัวว่าจะได้รับความทรมานจากความหิวโหวยในตอนข้างจึงต้องฉันเอาแรงไว้ก่อนเมื่อประสงค์ทั้งก้ารูปฉันเสร็จจึงให้พรเจ้าภาพด้วยการสาธยายมนสามบทตามลำดับได้แก่อนุโมทนารพัพพคถาสามัญญานุโมทนาคถาและมงคลจั ก, กรวาล น, น้อย เพื่อชดเชยกับที่ไม่ได้เจริญพระพุทธมนต์ทันทีที่การให้พรเสร็จสิ้นลงเจ้าคุณก็ทวงถามท่านพระครูทันทีผมอยากทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจึงทำให้ท่านตื่นสายคงจะเกี่ยวกับนารีผลใช่ไหมท่านยังติดใจเรื่องนารีผลและอดคิดอกุศลไม่ได้ว่าสมภารวัดป่ามะม่วงคงจะติดใจหลงเสียงดนตรี ของนารีผลจนลืมตื่นยังไม่ทันที่ท่านจะตอบคำถามของเจ้าคุณนารีผลก็ชิงพูดขึ้นเสียก่อนว่าหลวงพ่อเจ้าคะพระรูปนี้มีจิตอกุศลเราไม่อยากให้หลวงพ่อพูดอะไรที่เกี่ยวกับเราให้ท่านฟังตกลงท่านพระครูพูดกับนารีผลแต่ท่านจะคุณเข้าใจว่าพูดกับท่าน จึงพูดว่างั้นผมขอให้ท่านช่วยเล่าด้วยอยากฟังจริงจริงนึกว่าเป็นธรรมทานเะนะท่านพระครูจึงเล่าไปตามความจริงว่าเมื่อคืนผมเปิดอบรมกรรมฐานให้ทหารกอพอดีมีในพลคนนึ่งเขาเป็นหัวหน้าเขาไม่อยากให้ตื่นแต่ดึกก็เลยแกล้งเอายานอนหลับให้ผมฉันผมก็เลยตื่นแค่จเจ็ดโมง เจ้าคุณวัยหกสิบก็รู้สึกผิดหวังที่ท่านพระครูไม่ได้พูดถึงนารีผลจึงถามอีกว่าเมื่อกี้ท่านบอกว่านารีผลช่วยยนระยะทางแล้วก็บอกว่าวันนี้จะไม่มีการเจริญพระพุทธมนตเป็นอย่างนั้นจริงๆรหรือท่านเจ้าคุณไม่เชื่อหรอครับ สมภารวัดป่ามะม่วงย้อนถามพระครูอุดรและพระอันดับอีกหกรูปต่างก็ตั้งใจฟังการสนทนาของบรรพชิตสองรูปส่วนข้รือหัดพากันแยกย้ายปรับประทานอาหารตามคำเชิญของเจ้าภาพผมก็อยากจะเชื่ออยู่แต่ก็เกิดความสงสัยทำไมนารีผลถึงได้รู้แล้วที่ว่านารีผลตอนที่ยังอยู่บนต้นนะั่นะ สวยงามมากท่านเคยเห็นหรือเปล่าเคยครับผมเคยเห็นในถ้ำที่เขาสิคิริยาประเทศศรีลังกาเมื่อปีพุทธศักราช2515สวยงามมากครับท่านพอจะเล่าให้พวกเราฟังได้หรือเปล่าได้ครับและท่านเชิงเล่าเรื่องนารีผลตามประสบการณ์ของท่าน เริ่มตั้งแต่การได้รับฟังมาจากโยมยายที่เล่าเรื่องหลวงพ่อช้างไปพบนารีผลในป่าหิ ม, มาพานซึ่งตอนนั้นท่านไม่เชื่อต่อเมื่อได้พบด้วยตนเองในถ้มที่เขาสิคิริยาและได้สนทนากับพระสิงห์ผลจึงเชื่อเพราะจำนวนต่อหลักฐานแล้วนารีผลในพานกับที่ท่านเห็นในถ้าเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่า ต, ตัวเดียวกันทำไมในตอนนี้ถึงได้ดูหน้าเกลียดนักท่านพระครูจึงเล่าถึงที่มาของนารีผลในพานพร้อมอธิบายเรื่องไตรลักษณ์ให้ภิกษุวัยหสิฟังและสรุปว่าแม้นารีผลก็เป็นาธาตุกายสิทธิหากก็ต้องตกอยู่ในลักษณะสามประการได้แก่อณิจตตาความเป็นของไม่เที่ยงทุคตาความเป็นทุกข และอนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตนเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถดำรงอยู่ในสภาพเดิมได้เมื่อท่านเล่าจบลงท่านเจ้าคุณจึงพูดขึ้นว่าผมคงไม่เชื่อทาไมได้ฟังดนตรีไพเราะเมื่อสักครู่แต่ในเมื่อผมเชื่อแล้วผมก็ยังเชื่อต่อไปอีกว่าสิ่งที่อยู่ในภา น, นี้น่าจะไม่ใช่ตัวตนของเขา ถามจริงๆเธอเขาเคยมาให้เห็นรูปร่างสวยงามอย่างที่ท่านเห็นในถ้ำบางไหมเคยครับเคยหลายครั้งท่านพระครูจําเป็นต้องตอบแม้จะได้รับปากับนารีผลไว้แล้วท่านพูดกับสิ่งที่อยู่ในพานว่าต้องขอโทษที่ผิดสัญญาเห็นแล้วใช่ไหมว่าหลวงพ่อจําเป็นต้องตอบไม่เป็นไรเจ้าค่ะ เราสองตนเข้าใจและก็เห็นใจหลวงพ่อท่านพูดกับใครพูดกับนารีผลหรือท่านช่วยบอกให้เขาปรากฏกายให้ผมเห็นหน่อยได้ไหมผมอยากเห็นเป็นบุญตาท่านคิดว่าสมภารวัดป่ามะม่วงจะต้องทำตามที่ท่านขอท่านพระครูจึงพูดกับนารีผลว่าได้ยินแล้วใจไหม ทำตามที่ท่านขอได้หรือเปล่าไม่ได้เจ้าค่ะเราทำอย่างนั้นไม่ได้งั้นก็เรียนท่านไปตามนี้ก่นแล้วกันถ้าหลวงพ่อพูดเดี๋ยวท่านจะไม่เชื่อตกลงเจ้าค่ะเราจะพูดให้ท่านกับหลวงพ่อได้ยินเท่านั้นให้องค์อื่นได้ยินด้วยไม่ได้หรือท่านจะได้ช่วยกันเป็นพยานไงล่ะท่านพระครูต่อรอง ไม่ได้เจ้าค่ะถ้ารูปอื่นได้ยินเข้าเจ้าคุณรูปนี้จะขายหน้าแล้วก็จะพานกโกรธหลวงพ่อไปด้วยช่วยบอกท่านว่าเราสองตนจะพูดให้ท่านกับหลวงพ่อได้ยินเท่านั้นสมพานวัดป่ามะม่วงจึงเรียนท่านเจ้าคุณตามนี้เจ้าคุณวัยหกสิบจึงพูดขึ้นว่าเอาละตกลงตามนี้ไหนลองตอบฉันมาสิว่า ทำไมเธอถึงไม่แสดงตนให้ฉันเห็นทำไมแหตท่านพระครูเห็นเถ่านั้นเพราะเราไม่แสดงตนให้ผู้ที่มีกิเลสเห็นพวกเรารูปร่างสวยงามคนที่เห็นเราจะเกิดการมราคะโดยเฉพาะนักบวชนักพรตที่ยังตัดกิเลสไม่ได้ถ้าเห็นเราเข้าการราคะก็จะฟุ้งขึ้นสีลก็จะมัวหมอง ท่านก็รู้ว่าท่านยังตัดเรื่องกรมคุณไม่ได้เราจึงไม่แสดงตนให้ท่านเห็นส่วนหลวงพ่อท่านละกามคุณได้เด็ดขาดแล้วเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เราจึงเคารพท่านและก็แสดงตนให้ท่านเห็นส่วนท่านยังเป็นพระปุตุชนเต็มตัวเช่นเดียวกับอีกเจ็ดรูปที่นั่งอยู่ณที่นี้อย่าหาว่าเราสอนนะแต่เราก็อยากจะบอกท่านตามตรงว่า ท่านจะต้องอบรมศีลสมาธิปัญญาให้มากกว่านี้หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ท่านก็รู้ว่ามันผิดแต่ท่านก็ไม่พยายามฝืนใจท่านปล่อยตัวปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสของตัณหาราคะทําให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาท่านหยุดการกระทําเช่นนี้เส็เถอะจะได้ไม่ต้องไปตกนรกนานที่พูดมาเนี่ยท่านคงเข้าใจนะ เจ้าคุณวัยหกสิบหน้าซีดลงซีดลงขณะที่ฟังนารีผลเทศรู้สึกอัปยศอดสูนักอายทั้งนารีผลอายทั้งท่านพระครูแต่ก็ยังดีที่เพื่อนบรรพชิตอีกเจ็ดรูปไม่ได้ยินเห็นจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสียใหม่แล้วจะได้ไม่ต้องไปตกนรกนานโธ่เอ้ยไม่นาเลย อุตส่าห์มาบวชจนได้เป็นถึงท่านเจ้าคุณยังไม่พ้นนรกอีกหรอนี่ท่านขำครวนอยู่ในใจนารีผลจริงแย้งขึ้นว่ายศถาบรรดาศักด์ไม่ได้ช่วยให้พ้นจากนารกได้ท่านอยากเข้าใจผิดทางแห่งพระอริยเจ้านั้นต่างหาก ที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นคือพ้นจากอบายภูมิสีเหมือนที่หลวงพ่อท่านพ้นแล้วอะไรๆก็ล้วงพ่อรู้สึกชื่นชมยกย่องกันจริงนะวูบหนึ่งอารมณ์ริษยาก็เกิดขึ้นในจิตของท่านด้วยการขาดการอบรมศีลสมาธิและปัญญามัวแต่หลงระเริงอยู่กับลาบยศสการะที่ญาติโยมปรนเปรยให้ การมีจิตริษยาก็นำไปนรกได้เพราะริษยาย่อมมาจากโทสะและโทสะก็มีที่ไปคือนรกนารีผลเตือนด้วยความหวังดีขอโทษฉันผิดไปแล้วเอาละฉันจะพยายามทำตามที่เธอแนะนำเจ้าคุณวัยหกสิบยอมรับผิดมหาอุดร และพระภิกษุอีกหรูปต่างพากันชะงนใจที่จะคุณนั่งพูดอยู่แต่ผู้เดียวเป็นไปได้ว่าท่านคงจะฉันอาหารผิดสำแดงหรือไม่ก็คิดเรื่องหาเงินสร้างโบสถ์มากไปจึงได้มีอะไรเพี้ยนเพียเช่นนี้บรรดาแขกเกลือที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วต่างทยอยกันเข้ามานั่งเพื่อจะได้ฟังดนตรีที่แสนไพเราะอีกสักครั้งครั้นเห็นพระภิกษุทั้งก้ารูป พากันนั่งนิ่งอยู่เหมือนว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็พากันสงสยัยท่านพระครูก็เห็นเช่นนั้นจึงทักท้วงขึ้นว่ารับประทานอาหารกันอิ่มแล้วหรือโยมอิ่มแล้วครับอิ่มแล้วค่ะโยมชายหญิงตอบพร้อมกันดิฉันอยากฟังเสียงดนตรีจากนารีผลอีกค่ะหลวงพ่อช่วยบอกให้เขาบรเบลงอีกสักครั้งได้ไหมคะ โยมผู้หญิงคนหนึ่งถามขึ้นอาตมาจะถามเขาให้นะแล้วท่านจึงถามนารีผลว่าโยมเขาอยากฟังดนตรีอีกจะบรรเลงให้เขาฟังอีกสักครั้งได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะหนังดีมีรอบเดียวเจ้าค่ะท่านจึงบอกโยมผู้นั้นว่าเขาบอกว่าหนังดีมีรอบเดียวทำไมเขาไม่พูดให้พวกเราได้ยินล่ะคะ ทำไมพูดให้หลวงพ่อได้ยินองค์เดียวเธอถามอีกโยมเขาถามว่าทำไมไม่พูดให้เขาได้ยินด้วยเพราะเขาก็จะพากันขออีกว่าเมื่อพูดให้ยินแล้วก็ขอให้ปรากฏกายด้วยเราซึ่งไม่ต้องการที่จะปรากฏกายเจ้าค่ะท่านบอกญาติโยมตามที่นารีผลพูดถ้าขอได้ยินเสียงเฉย จะได้หรือไม่รับรองว่าจะไม่ขอมากกว่านี้สตรีผู้นั้นต่อรองนารีผลจึงพูดกับท่านพระครูว่าจะพูดให้พวกเขาได้ยินเสียงแต่จะไม่ยอมปรากฏกายอย่างเด็ดขาดเมื่อท่านพระครูบอกกับสตรีผู้นั้นเธอจึงถามขึ้นว่าทำไมนารีผลจึงไม่ยอมปรากฏกายครั้งนี้นารีผลตอบให้ทุกคนณที่นั้นได้ยินว่า เพราะถ้าเราปรากฏให้เห็นก็จะทำให้พวกท่านบาปเรามีรูปร่างโสภากว่าสตรีที่พวกท่านเคยเห็นคนที่เป็นสตรีก็จะพากันริษยาในความงามของเราความริษยาเป็นโทสะเมื่อริษยาในความงามของเราท่านก็จะบาปเพราะเกิดโทสะส่วนผู้ที่เป็นบุรุษเมื่อเห็นความงามของเราก็จะเกิดความกำหนัดยินดี อยากจะอภิรมเชยชมเราการมราคะก็จะกำเริบกามราคะเป็นโลภะซึ่งเป็นอกุศลพวกเราจึงบาปเช่นกันดังนั้นเราจึงไม่ต้องการให้พวกท่านบาปเพราะเห็นเราคงจะเข้าใจแล้วนะแม้พูดเสียงไพเราะน่าฟังยังกับเสียงสวรรค์แน่สตรีผู้นั้นเอ่ยปากชมหลวงพ่อครับ ผมขอซื้อนารีผลไปไว้ที่บ้านได้ไหมครับหลวงพ่อจะเรียกเท่าไรผมไม่อั้นเสียคนหนึ่งพูดขึ้นเขาคิดว่าซื้อนารีผลไปเก็บไว้ที่บ้านเพื่อฟังเสียงอันไพเราะของหล่อนอาตมาขายไม่ได้หรอกโยมเพราะอาตมาไม่สามารถกำหนดชีวิตของใครได้อีกอย่างหนึง่งเขาก็ไม่ใช่วัตถุที่โยมจะซื้อไปเก็บไว้ดูเล่น หรือว่าสั่งให้ทำอะไรตามใจโยมได้เขาเป็นถาดกยายสิทธิ์ที่มีอิสระเต็มที่และไปไหนมาไหนได้ตามใจชอบวันหนึ่งเขาก็ต้องไปจากอาตมาเขาจะไปไหนคะภรรยาในอำเภอถามบ้างเธอมัวสารวนอยู่กับการเตรียมอาหารเลี้ยงพระและแขกเหลือจึงไม่มีโอกาสได้มาคุยกับท่านบัดนี้หมดหน้าที่แล้ว จึงมานั่งฟังการสนทนาได้ไปป่าหิ ม, มาพานต์บ้านของเขาท่านพระครูตอบจะคุณรู้สึกอึดอัดที่ไม่ได้นี้พูดใดมาพูดจาปราศัยด้วยจึงบอกในอําเภอว่าจะกลับในอาเภอจึงลุกออกมาแล้วก็เดินไปส่งท่านที่รถเมื่อท่านกลับพระครูอุดรและพระภิกษุอีกหรูปก็พากันกลับวัด คงเหลือแต่ท่านพระครูที่ต้องอยู่ตอบคำถามของญาติโยมข้างฝ่ายในสมชายเมื่อรับประทานอาหารแล้วก็ช่วยเข้าเก็บกวาดทำความสะอาดล้างถ้วยชามตามประสาคนขยันซึ่งไม่รู้เรื่องที่เขาคุยกันทั้งไม่รู้ด้วยว่าท่านพระครูนำพานารีผลใส่ ย, ย่ามมาด้วย เกือบบ่ายสองโมงท่านพระครูจึงลาเจ้าภาพเพื่อกลับวัดท่านบอกญาติโยมให้นำเรื่องนารีผลไปเล่าสู่ลูกหลานฟังด้วยเพราะอนาคตก็จะไม่รู้จักนารีผลกันแล้วท่านเองแม้จะได้รับฟังเรื่องนารีผลมาจากโยมยายก็ยังไม่ปร่งใจเชื่อกระทั่งได้ไปเห็นของจริงที่ประเทศศรีลังกาจึงได้รู้ว่าสิ่งลี้ลับในโลกนี้ยังมีอีกมากมาย มนุษย์จะรู้จักได้ก็ต่อเมื่อได้อบรมตนดีแล้วด้วยศีลสมาธิและปัญญาเท่านั้นหลวงพ่อทําไมคุยนานจังพระรูปอื่นท่านกลับวัดไปตั้งนานสองนานแล้วหลวงพ่อก็ยังคุยอยู่ได้ไม่รู้มีเรื่องอะไรนักหนานายสมชายบนกระปอดกระแปดเพราะรออยู่นานจะรู้สึกหงดหงิ ด, งดเองอยากรู้ก็หน่าจะมาร่วมวงด้วย ท่านพระครูพูดอย่างอารมณ์ดีขืนมาร่วมวงหลวงพ่อก็หาว่าผมเสนอหน้าอีกผมน่าเสียทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นแหละนายสมชายพูดอย่างน้อยใจสมพานวัดป่ามะม่วงจำเป็นต้องนิ่งเพราะจริงดังที่คนขับรถพูดหากเข้ามาร่วมวงท่านจะต้องว่าเขาเสนอหน้าเหมือนที่เคยว่ามาแล้วทำไมถึงไม่พูดต่อล่ะครับ หรือว่าผมพูดแทงใจดำเลยพูดไม่ออกในสมชายได้ทีจึงขี่แพ้ไล่ที่ไม่พูดเพราะว่าฉันเชื่อที่โบราณท่านสอนไว้พูดไปสองไเบียหนึ่งเสียตำลึงทองท่านอ้างโบราณเหมือนที่เคยอ้างผมรู้สึกว่าเวลาที่หลวงพ่อเถียงไม่ได้ก็จะอ้างโบราณทุกครั้ง โบราณนี่มีไว้ให้คนอ้างตอนที่เถียงเขาไม่ได้หรอครับคนขับรถรุกอีกเธอจะคิดยังไงก็แล้วแต่ส่วนฉันจะแผ่เมตตาให้กับอสุรกายที่อาศัยอยู่ตามถนนหนทางเพื่อให้เขาไม่เบียดเบียนหรือว่าทำร้ายผู้ที่ใชเส้นทางนี้นานๆจะมีคนแผ่เมตตาให้เขาเสตีเพราะนับวันคนเขาขาดเมตตากันมากขึ้น มีแต่เบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกันอีกไม่ช้าไม่นานโลกก็จะลุกเป็นไฟเพราะคนขาดมเมตตานนิแหละถ้าโลกลุกเป็นไฟเราก็เอาน้ําดับเซก็สิ้นเรื่องไม่เห็นจะยากเลยชายหนุ่มตะแบงไปข้างๆคูคูถ้าเป็นไฟธรรมดาก็ใช้น้ําดับได้แต่ถ้าเป็นไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ ไม่มีน้ำที่ไหนจะดับได้ไฟที่ฉันพูดถึงก็คือไฟสามกองนี้เธอคอยดูต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างที่ฉันพูดหรือเปล่าเอาละ่ะฉันจะแผ่เมตตาแล้วเธอก็ทําหน้าที่ของเธอไปไม่ต้องพูดอีกพูดจบท่านก็นั่งหลับตาเพื่อสํารวมจิตแผ่เมตตาให้กับอสุรกายทั้งหลายขากลับ นารีผลไม่ได้ช่วยย่นระยะทางท่านพระครูก็ไม่ได้ใช้คาถาสหัสเนตโตจึงใช้เวลาเดินทางถึงสี่ชั่วโมงถึงวัดแล้วท่านก็ไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะญาติโยมมารอกันแน่นกุติพวกที่รอไม่ไหวก็พากันกลับไปก่อนคิดว่าพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ส่วนพวกที่มีปัญหาหนักอ ก, อกยกไม่ออกก็ปักหลักรออย่างไม่สะทกสะท้าน ครั้นเห็นท่านมาก็พากันดีใจเหมือนได้แก้วสมภารวัดป่ามะม่วงช่วยแก้ปัญหาให้ญาติโยมอยู่ถึงสองทุ่มจึงขอตัวไปส่งน้ำเพื่อจะไปบรรยายทําให้แก่ผู้มาเจริญพระกรรมฐานใครยังไม่กลับก็เชิญไปฟังเทศที่หอประชุมนะท่านบอกญาติโยมที่นั่งอยู่ในกุฏิแล้วจึงขอตัวไปส่งน้ำสิบห้านาทีให้หลัง ท่านก็สงน้ำเสร็จและครองจีวร อ, อย่างเรียบร้อยจากนั้นจึงเดินไปยังหอประชุมเจริญชัยเพื่อบรรยายธรรมญาติโยมที่นั่งอยู่ในกุฏิต่างแยกย้ายกันกลับไม่มีผู้ใดตามท่านไปฟังธรรมบ ร, รรยายแม้แต่คนเดียวการบรรยายธรรมและสอบอารมณ์สิ้นสุดลงเมื่อเวลาสี่ทุ่มเศษท่านอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติไปพักผ่อนได้ยกเว้น พลตรีสิครินอินพรมเมื่อผู้ปฏิบัติลูกออกไปหมดแล้วท่านจึงพูดกับในพลผู้มากด้วยอุบายว่าเมื่อเช้าท่านทําให้อาตมาหลับเกินเวลาไปตั้งสามชั่วโมงความจริงอาตมาต้องมาทำวัดกับพวกท่านตอนตีสี่แล้วก็ตีห้าจะต้องไปจันทบุรีแต่ายาบํารุงเสียงที่ท่านให้อาตมาฉันทําให้อาตมาตื่นเจ็ดโมง คืนนี้อาตามาก็เลยจะมาขอบคุณท่านและตอบแทนบุญคุณโดยการปฏิบัติกรรมาฐานเป็นเพื่อนท่านเป็นเวลาสามชั่วโมงเพื่อชดเชยกับตอนเช้าเดี๋ยวเราจะเดินจงกรมชั่วโมงครึ่งนั่งอีกชั่วโมงครึ่งตกลงนะครับหลวงพ่อถ้าเกิดผมตายก็ช่วยทําศพให้ผมด้วยก็แล้วกันในพนพูดแบบโปร่ง เพราะรู้ว่ามันเป็นการหนักหนาสาหัสนะักไม่เป็นไรที่วัดมีศาลาสวดศพมีทั้งเมนรับรองอัตมาจัดงานให้อย่างสมเกียรติที่สุดสมภารวัดป่ามะม่วงพูดอย่างพูดชนะ